การฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมการศึกษาธรรมนี่เป็นเหมือนกับการดูแผนที่หัวใจของพวกเรานี้เป็นเหมือนนักเดินทางใจของเรากำลังเดินทางหาหาที่เราจะ อยู่อย่างสุขอย่างสบายอยู่อย่างปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆถ้าเราไม่มีแผนที่เราจะหาจุดนี้ไม่เจอจุดที่มีแต่ความสุขจุดที่ปราศจากความทุกข์นานๆจะมีคนที่ได้พบกับจุดนี้ที่ ไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวคนนั้นก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบจุดหรือจุดหมายปลายทางที่พวกเรากําลังจะไปกันอยู่แต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเราอยากจะไปถึงจุดหมายปลายทางจุดนี้จุดที่ปราศจากความทุกข์ จุดที่มีแต่ความถุกมีแต่ความสุขเราก็พยายามกันมาทํากันมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอันยาวนานเราเกิดแก่เจ็บตายกันมาก็เพื่อที่จะมาหาจุดหมายปลายทางอันนี้แต่ถ้าเราไม่ได้มาเจอคนที่ได้พบกับจุดหมายปลายทางอันนี้ เราจะไม่มีวันที่จะพบได้ถ้าวันไหนเราได้มาพบกับคนที่รู้จักจุดหมายปลายทางอันนี้แล้วได้ศึกษาได้ฟังทรรมได้เรียนรู้จากเขาเราก็จะได้รู้จักทางที่จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทาง ที่เราพยายามหากันมากันอย่างยาวนานจุดหมายปลายทางที่ไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวตอนนี้จุดหมายปลายทางต่างๆที่เราเดินไปกันนั้นมักจะมีความทุกข์ผสมกับความสุขทุกข์มากทุกข์น้อยสุขมากสุขน้อยแต่ก็ ยังมีความทุกข์อยู่แล้วก็ยังมีความสุขบ้างแล้วก็เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความทุกข์ชั่วคราวมันพอได้แล้วก็สุขอยู่พักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์แล้วเดี๋ยวก็หาสุขใหม่พอหาสุขใหม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวก็หมดไปก็ทุกข์อีกแล้วบางทีหาไม่ถูก แทนที่จะได้สุขก็มีแต่ทุกข์อันนี้เป็นการหาความสุขเป็นการหาการสิ้นสุดของความทุกข์ของพวกเราที่เราหากันมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอันยาวนานนับจำนวนปีไม่ได้ถ้าว่าล้านปีนี่นานเนี่ย อันนี้นานกว่าล้านปีหลายล้านเท่าด้วยกันหลายล้านเท่าของล้านปีเราหากันอยู่ทุกวันทุกเวลาตั้งแต่ตื่นมานี้เราก็หาความสุขกันแล้วก็เจอความสุขแต่ก็เป็นความสุขเดี๋ยวเดียว แล้วพอความสุขนั้นหายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าหรือพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือภาษาวกของพระพุทธเจ้าผู้รู้จักทางที่พาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ไม่มี ความทุกข์ที่มีแต่ความสุขที่ถาวรไม่ใช่ความสุขแบบที่พวกเราได้พบกันในในขณะนี้เราได้พบความสุขกันเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วเดี๋ยวความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่เพราะว่าความสุขที่เราหากันนี้มันเป็นความสุขชั่วคราว มันไม่สามารถให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเวลาพอเวลามันไม่มีเวลามันหมดไปเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาพราะเราไม่รู้จักวิธีหาความสุขที่เป็นความสุขที่ถาวรเราไม่รู้จักวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเรา ให้หมดไปอย่างท้าวนกำจัดได้แบบชั่วคราวกำจัดด้วยการไปหาความสุขมากลบมันเวลาเรามีความไม่สบายใจเราก็ไปหาอะไรมาทำให้มันหายไปชั่วคราวด้วยการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมา มากลบมันแต่ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายมันก็เป็นความสุขชั่วคราวพอหมดไปความทุกข์ใจความไม่สบายใจที่มีอยู่ในใจของเราก็ยังไม่หายไปความไม่สบายใจความทุกข์ใจของเราก็เกี่ยวกับการแก่ <c oughs> การเจ็บไข้ได้ป่วยการตาย การสูญเสียสิ่งที่เรารักไปสิ่งที่เราชอบการพัดพาจากบุคคลที่เรารักเราชอบการไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้เราก็เสียใจไม่สบายใจเราก็เลยหาวิธีต่างๆเพื่อมาทําให้เราสบายใจขึ้นวิธีง่ายๆก็คือไปเที่ยวกัน เวลาไปเที่ยวกันก็ความไม่สบายใจต่างๆก็หายไปแต่พอกลับมาบ้านกลับมาที่ทำงานกลับมาสู่สภาพเดิมเดี๋ยวก็เจอปัญหาต่างๆเหมือนเดิมเจอความทุกข์ต่างๆเหมือนเดิมเพราะเราไม่รู้จักวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ที่เราพเที่เรามีอยู่ เราไม่รู้จักวิธีหาความสุขที่จะให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงอย่างท้าวร น, นานๆเราจะได้มาเจอคนอย่างพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งที่ได้พบวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปและสร้างความสุข ที่แท้จริงที่ถาวรให้อยู่กับใจของเราไปตลอดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดโดยที่พอเราได้ความสุขแบบนี้แล้วและการกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปความทุกข์จะหายไปหมดจะมีแต่ความสุขอยู่ภายในใจของเราไป ตลอด24ชั่วโมงทุกวันทุกเวลาทุกเดือนทุกปีใจของเรานี้จะมีแต่ความสุขจะไม่มีไม่มีความทุกข์เหมือนอย่างที่เรากำลังมีกันอยู่ในขณะนี้ขณะนี้ใจของโวกเรามีความทุกข์สลับกับความสุขสุขแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์ทุกข์แล้วเดี๋ยวก็สุข เดี๋ยวก็ดีใจหัวล่อเดี๋ยวก็เสียใจร้องห่มร้องไห้เพราะเราไม่รู้จักวิธีที่จะหาความสุขแบบถาวรไม่รู้จักวิธีกาจัดความทุกข์อย่างถาวร น, นั่นเองพอเราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าแล้วถ้าเราสนใจเราศรัทธาเราเชื่อ ว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่ได้พบวิธีที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจของเรารู้จักวิธีที่จะสร้างความสุขให้อยู่ในใจของเราไปตลอดไม่ให้หายไปเหมือนอย่างที่เรากำลังมีอยู่ขณะนี้ความสุขที่เรามีอยู่นี้ได้มาปป๊บเดียวมันก็หายไปแล้ว ให้ความทุกข์ที่เราว่าได้กําจัดมันมันก็โผล่กลับขึ้นมาใหม่อยู่เรื่อยๆ<ม>ความสุขกับความทุกข์นี่มันเป็นเหมือนเหรียญสองด้านมันจะสลับกันข อ, องเราสุขเวลาสุขความทุกข์ก็ไม่มีพอเวลาทุกข์ความสุขก็หายไปน แต่สำหรับพระพุทธเจ้านี้ท่านทรงค้นพบวิธีที่จะทำให้ความทุกข์นี้หายไปตลอดความสุขนี้อยู่กับเราไปตลอดถ้าเราศรัทธาเราเชื่อเราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราปฏิบัติตามได้เราก็จะได้พบกับความสุขที่ถาวร เราก็จะได้กาจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้อย่างถาวรดังนั้นการฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เป็นการมาศึกษาวิธีที่จะกาจัดความทุกข์ให้หมดไปและสร้างความสุขให้อยู่อย่างถาวรไปกับใจของเราไปตลอด การฟังเทศก็เป็นการศึกษาวิธี ว, วิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือการอ่านหนังสือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าก็มาในสองสองทางด้วยกันทางหนึ่งก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในขณะที่มีชีวิตอยู่ แล้วก็มีผู้จดจําเอาไว้สมัยพุทธกาลนี้พระบวชแล้วหน้าที่ของพระส่วนหนึ่งก็คือให้ศึกษาและท่องจําคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็ท่องจํากันแล้วก็นํามาไปปฏิบัติพระเหล่านี้ก็จะจําคําสอนของพระพุทธเจ้ากันเวลาพระพุทธเจ้าจากไป คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ในความจําของภาษาวกต่างๆภาษาวกก็ถ่ายทอดคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้กับพระที่มาบวชใหม่ต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้รับการถ่ายทอดจากใจสู่ใจจากปากของภาษาวกสู่หูของภาษาวกของพระที่มาบวชใหม่ พระภิกษุทุกลูที่บวชนี้จะต้องศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะได้รับผลจากการปฏิบัติคือได้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปแล้วก็สร้างความสุขที่ถาวรให้อยู่กับใจไปตลอด นี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพระรูปหนึ่งไปสู่พระอีกรูปหนึ่งจนในสมัยปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาคำสอนเหล่านี้ให้กลายเป็นตัวอักษรขึ้นม า, าเพราะริ่มมีการศึกษา มีการเรียนรู้วิธีอ่านหนังสือกันสมายก่อนนี้อ่านหนังสือกันไม่เป็นไม่มีการเรียนหนังสือกันใช้อาศัยการฟังและความจำเหมือนกับที่เราเรียนจากพ่อแม่เราที่บ้านเราไม่ต้องมีหนังสือพ่อแม่สอนเราด้วยปากบอกลูกอย่าทำอย่างนี้นะลูกอย่าทำอย่างนั้นนะลูกทำอย่างนี้นะ อสอนลูกก็จะจำได้ลูกก็จะทำตามที่พ่อแม่สอนพ่อแม่พูดอย่างนี้เขาก็ฟังเสียงพ่อแม่คำนี้แปลว่าพ่อคำนี้แปลว่าแม่ไม่ต้องใช้หนังสือก็ได้ใช้ใช้หูฟังแล้วก็เอามาจดเอามาจำพอจำแล้วมันก็จะเล่เามาใช้ต่อมันก็จะจำได้ก็จะพูดได้ พูดภาษาตามพ่อแม่ได้ทำอะไรตามที่พ่อแม่สอนได้พ่อแม่สอนให้ทำกับข้าวอย่างนี้ก็ทำได้พ่อแม่สอนให้กวาดบ้านถูบ้านให้ซักผ้าให้ทำอะไรก็ทำตามที่พ่อแม่สอนสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันสอนแบบปากใช้ปากพูดใช้หูฟังเพราะว่าไม่มีหนังสือไม่มีไม่มีตำรา หนังสือรถตำลานี้เพิ่งมามีตอนยุคที่มีการศึกษาพอมีการศึกษาก็เลยเอาความรู้ที่จดจำกันมานี้เอามาใส่ในตำราตำราคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระไตรปิฎกเรามีพระไตรปิฎกเป็นที่เก็บคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้า ถ้าเราอยากจะเรียนรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าวิธีหนึ่งก็คืออ่านหนังสือธรรมะในพระไตรปิฎกแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือการฟังเทศหรืออ่านหนังสือธรรมะของภาษาวกของพระพุทธเจ้าภาษา voke ของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระที่มาบวชแล้วก็มาเรียนตํารา หรือมาฟังเทศจากพระสาวกครูบาอาจารย์แล้วก็นำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติจนได้รับผลแล้วก็จะรู้จากวิธีของการดับความทุกข์ของการสร้างความสุขอย่างถาวรก็เอามาสอนแล้วก็บางทีท่านก็เอามาเขียนเป็นหนังสือเป็นตำรา คำสอนก็มีคนบันทึกเอาไว้แล้วก็ไปถอดออกมาจากเสียงมาใส่เป็นหนังสืออีกทีเช่นหนังสือที่แจกนี่ก็เป็นหนังสือที่ที่เราสอนให้ญาติโยมฟังกันแล้วก็มีการบันทึกเสียงมาไว้แล้วก็มีผู้มีจิตศรัทธามาถอดเสียงออกมา ให้เป็นตัวหนังสือใส่เข้าไปในหนังสือแล้วก็เอามาเพนแจกกันเพราะว่ามันจะได้เผยแผ่ได้อย่างกว้างขวางไม่ต้องมารอให้พูดถึงจะได้เรียนรู้กันเดี๋ยวนี้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลามีหนังสือหนังสือหยิบไปมีแผ่นซีดีที่บันทึกเสียงเอาไว้ มีเครื่องเล่นอยากจะฟังอยากจะศึกษาเมื่อไหร่ก็สามารถเปิดฟังได้ศึกษาได้ไม่มีเครื่องเล่นมีหนังสือก็เปิดหนังสืออ่านได้หนังสือเหล่านี้จะสอนจะบอกวิธีที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงวิธีที่จะดับความทุกข์ที่แท้จริงให้หมดไปจากใจถ้าถ้าไม่เรียนก็จะไม่รู้ วิธีที่จะดับความทุกข์ว่าดับอย่างไรก็จะรู้จากวิธีที่เคยทำเวลาทุกข์ใจก็ไปช้อปปิ้งกันไปเที่ยวกันไปหาแฟนกันไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้กันพอได้ก็ความทุกข์ใจก็หายไปแต่เดี๋ยวสิ่งที่ได้มาหายไปหมดไปความทุกข์ใจก็กลับมาใหม่ ความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้จากคนนั้นคนนี้เดี๋ยวพอมันหมดไปความทุกข์ก็กลับมาใหม่ก็ต้องกลับไปหาใหม่หาเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็หมดหมดแล้วเดี๋ยวความทุกข์ก็กลับมาใหม่หาไปจนวันตายก็จะเป็นแบบนี้ตายไปก็กลับมาเกิดใหม่เพื่อมาหาใหม่พอรู้จักวิธีหาความสุขแบบนี้ รู้จักวิธีกำจัดความทุกข์แบบนี้ที่เป็นความสุขชั่วคราวที่เป็นการกำจัดความทุกข์ชั่วคราวกำจัดเท่าไหร่จึงไม่มีวันหมดสักทีจนกว่าจะได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนวิธีกำจัดความทุกข์ให้หมดไปอย่างถาวรที่จะสร้างความสุขให้มีอยู่ในใจไปอย่างถาวร ชาตินี้ที่พวกเรามาเกิดกันนี้จึงถือว่าเป็นชาติที่โชคโชคดีชาติที่มีโชคลาภอันประเสรตคือได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีคุณค่ายิ่งกว่าเงินทองในโลกนี้มีเงินทองกองถูกเท่าภูเขา ก็ไม่สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ความสุขที่ได้จากเงินทองกองเท่าภูเขาก็เป็นความสุขเดียวๆความสุขที่ชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปแล้วก็ต้องหาใหม่มาเติมมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆการได้มาพบกับพระพุทธศาสน า, า พ, พ, พระกุพธธรรมคำสอนนี้จึงเป็นเหมือนกับได้ลาบโชคคลาบ ที่ยิ่งใหญ่กว่าโชคคลาบที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าจะว่าถูกลอตเตอรี่ถูกแจ็คพอตลังวัลที่อเมริกาเนี่ยหนึ่งพันล้านเหรียญก็สู้การได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้พได้ได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับโชคอันประเสริฐ เราได้รับความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราได้จากการถูกรัตตรี่รางวัลหนึ่งพันล้านเหรียญได้เงินมาหนึ่งพันล้านเหรียญก็สู้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้พบกับความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้มีเงินทองเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้ ดับได้เดี๋ยวเดียวไปซื้อของมาก็มีความสุขเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เบื่อกับของที่ซื้อมาแล้วความทุกข์ก็โผล่ขึ้นมาใหม่ซื้อรถมาให้ซื้อรถคาราสิบล้านมาใหม่ๆก็ขับไปก็สุขกับมันเดี๋ยวพอมันเสียขึ้นมาก็ปวดหัวกับมันนะความทุกข์ก็โผล่ขึ้นมาหรือไปจอดไว้เดี๋ยวเด็กใครมือบอนเอาก้อนหินมาเีืยงใส่กระจกหรือ เอาอะไรมาขีดตัวถังรถเนี่ยมีรอยหน่อยก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วนี่คือความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้มันจะมีความทุกข์แทมมาด้วยจะทำให้เราเสียใจไม่สบายใจแต่ความสุขที่เราได้จากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจะเหลือแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวอยู่ในใจของเราการได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคาสอนจึงถือว่าเป็นโชคคาลาบที่ยิ่งใหญ่กว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถูกแจ็คพอตของอเมริกาบางทีแจ็คพอตนี้ตกเกือบ พ, พันเหรียญ น, พ, นพันล้านเหรียญ แต่แจ็กผ่อนนี้พอถูกแล้วบางคนนี้กลับไม่อยากจะไปรับนะบางคนกลัวรับเราเดี๋ยวกลัวถูกปอนถูกจับไปเรียกค่าถ่ายมีคนหนึ่งเขาไม่ขอออกนามไม่ขอประกาศตนทีนี้พลาดไปเพราะเวลาที่ถูกลอตเตอรี่นี่กลัวจะลอตเตรี่จะหายก็เลยเขียนชื่อกำกับไว้ในลอตเตรี่ ก็เลยไม่สามารถที่จะใช้นามแฝงเพื่อที่จะไปรับได้ต้องใช้นามจริงก็เลยต้องไปขออนุญาตจากศาลในที่สุดศาลากรอนุญาตให้ใช้นามของมูลนิธิให้ตั้งมูลนิธิขึ้นมาแล้วก็ใช้นามของมูลนิธิไปไปรับรางวัลเพื่อที่คนจะได้ไม่รู้ว่าใครเป็นคนได้รับรางวัลอันนี้ พอถ้าเกิดรู้เนี่ยคนที่อยู่ข้างบ้านอยู่รอบในหมู่บ้านเดี๋ยวก็แห่มาหากันทุกคนเหมือนกับน้ำเหมือนกับน้ําตาลเนี่ยพอมีน้ําตาลอยนแหนเดี๋ยวมดมันก็ขึ้นอะพอะมีเงินนี่จะมีคนมาหาเยอะแยะไปหมดเลยคนที่อยากจะได้รับเงินจากเราก็จะไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้เธอเป็นคนธรรมดาเป็นคนทํางาน ไม่ล่ารวยอะไรอยากจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมอยากจะไปซื้ออาหารที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตได้เดินไปไหนมาไหนได้แต่ถ้าพอมีคนรู้ว่าเป็นเศรษฐีพันล้านหรือเนะ้ะที่ไปไหนไม่ได้นะไปเหี๋ยวก็ถูกจับลไปเรียกค่าถ่ายไนะม้นก็มีคนขออยู่ตลอดทางเดินไปไหนก็มีคนขอเงินขออะไรวุ่นวายไปตลอด เนี่ยลาภที่ได้ทางโลกนี้แทนที่จะเป็นสุขกับกลายเป็นทุกข์ไปแล้วไม่ช้าก็เร็วเวลาจะตายจากกันก็เสียดายมันอีกอยู่ไปได้ไม่กี่ปีเดี๋ยวก็ตาย เ, าเงินทองที่ได้มาเป็นพันล้านเหรียญเป็นหมื่นล้านบาทเนี่เดี๋ยวมันก็ต้องจากกันอยู่ดีถึงเวลานั้นก็ทุกข์อีกยั้นโชคลาภในโลกนี้มันไม่เป็นสุข ที่แท้จริงช็อกโกแลในโลกที่เป็นสุขที่แท้จริงก็คือการได้พบกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงเปียบเป็นเป็นรัตตนะเป็นเพชรเป็นเป็นแก้วรัตนะแปลว่าแก้วคาว่าแก้วนี้ไม่ได้เหมือนแก้วน้ำนะแต่แก้วที่เป็นเพชรนชรินจินดาที่มีคุณค่าที่สุดในโลกนี้ ถ้าเราได้เพชรเม็ดละก้อนเท่านิ้วโป้งนี่คงจะมีราคาเป็นหลายร้อยล้านแต่ก็เหมือนกันเพชรจะมีราคามากน้อยเพียงไรมันก็มีทุกติดมาพอมีแล้วนี่จะวุ่นวายใจเพราไม่รู้จะไปเก็บไว้ที่ไหนให้มันปลอดภัยถ้าไม่มีเงินนี่จะไปซื้อประกันก็ไม่มีเงินซื้อจ่ายค่าประกันที่จะมารักษาเพชรเม็ดนี้ล้ว ไม่มีเงินที่จะไปสร้างที่เก็บที่ปลอดภัยมีทางเดียวก็ต้องขายถ้าได้มาแล้วต้องรีบขายเปลี่ยนให้เป็นเงินไปนะก็จะถูกกดราคาถ้าจะรีบขายเนี่ยก็เขาก็จะกดราคาแล้วคนที่ซื้อก็จะเอาไปทำกำไรต่อแต่เพชรของพระรัตนาตายคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ย เป็นเพชรที่มีให้แต่คุณประโยชน์ไม่มีให้โทษกับเราและเป็นเพชรที่ไม่มีใครสามารถแย่งจากเราไปได้เพราะมันไม่เป็นวัตถุมันเป็นนามธรรมามันเป็นความรู้ที่เราได้ศึกษาได้จดจำแล้วเราได้เอาไปปฏิบัติพอเราได้ปฏิบัติแล้วเราก็จะจำได้ เราจะไม่หลงไม่ลืมถ้าไปเรียนไปอ่านแล้วไปฟังแล้วไปจดไปจำนี้เดี๋ยวเราลืมได้ถ้าเราไม่เอาไปปฏิบัติเราจำอะไรไว้เดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็ลืมได้แต่ถ้าเราเอาไปปฏิบัติเอาไปใช้นี้เราจะไม่ลืมความรู้ที่เราเรียนมาถ้าเราไม่เอาไปใช้เดี๋ยวเราก็ลืม แต่ความรู้ที่เร า, เามาที่เรียนมาแล้วเราเอาอไปใช้นี่เราจะไม่เดือม น, นี้ก็พูดเรื่องของสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในโลกนี้ที่ไม่มีอะไรจะมีคุณค่าเท่าก็ก็คือพระรัตนตรัยเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงสาวกก็ดีท่านทั้งสามนี้เป็นผู้ที่จะ พาเราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงพาให้เราได้ไปพบกับความสุขที่ถาวรไม่มีใครในโลกนี้ที่จะทำหน้าที่นี้ได้ดังนั้นถ้าเราได้มาเกิดในสมัยที่มีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์อยู่ในโลกนี้ก็ถือว่าเราได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันได้พบกับพระเพชรที่ ที่มีคุณค่าราคามหาศาลที่จะทำให้เราสามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้ที่จะทำให้เรามีแต่ความสุขไปตลอด mm hmm. การที่เราหาเงินหาทองกันก็เพราะเราคิดว่าเงินทองนี้จะมาช่วยเรากําจัดความทุกข์ต่างๆมาช่วยเราหาสร้างความสุขต่างๆให้กับเรา แต่เงินทองนี้ก็ช่วยเราได้เพียงครึ่งเดียวช่วยเราได้ทางร่างกายทางร่างกายเราก็จะสบายถ้าเรามีเงินทองอยากจะมีบ้านมีคอนโดก็ซื้อได้อยากจะมีอาหารกินไม่อดอยากขาดแคลนก็มีเงินทองก็ซื้อได้อยากจะมีเสื้อผ้าไว้ใส่ก็ซื้อได้เวลาไม่สบายไปหาหมอก็ใช้เงินรักษาได้จ่ายค่ายาค่าหมอได้ เงินทองก็บำบัดความทุกข์กำจัดความทุกข์บำรูงสุขให้กับเราได้ทางร่างกายแต่ใจของเรานี่เงินทองช่วยเราไม่ได้ร่างกายเราจะสุขสบายอย่างไรใจของเราก็ยังทุกข์ได้ได้ยินเขาด่าคําเดียวก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วเขาดูถูกดูแคลนหน่อยก็ทุกข์ละ เขาไม่ตอบสนองความต้องการของเราก็ทุกข์ละสั่งให้เขาไปทําอะไรให้หน่อยเขาไม่ยอมทําให้ก็ทุกข์ละนี่คือความทุกข์ทางใจที่เงินทองไม่สามารถที่จะกําจับได้แต่เงินทองของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพระรัตนาตัยนี่สามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดไปได้ใครจะด่าก็ไม่ทุกข์ใครจะดูถูกดูแคลนก็ไม่ทุกข์ใครจะทุบตีทำร้ายร่างกายก็ไม่ทุกข์จะไม่ทุกข์กับอะไรทั้งนั้นใครจะขโมยข้าวของเงินทองไปก็ไม่ทุกข์ใครจะเอาแฟนไปก็ไม่ทุกข์ ถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจถ้าสามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนให้ปฏิบัติได้ใจจะไม่ทุกข์กับอะไรแม้แต่ร่างกายจะอดอยากขาดแคลนใจก็ไม่ทุกข์ร่างกายจะอดมื้อกินมือ้อใจก็ไม่ทุกข์ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยใจก็ไม่ทุกข์ผมจะงอหนังจะเหี่ยวใจก็ไม่ทุกข์ ถ้ามีพระพุทธถ้ามีพระธรรมคำสอนอยู่ในใจถ้ารู้จักปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใจจะไม่ทุกข์กับอะไรนี่คือความประเสริฐของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าความประเสริฐของพระรัตนาตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่สามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไป ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถทำได้แต่ให้มีเงินกองเงินทองกองเท่าภูเขาก็กำจัดความทุกข์ไม่ได้ต่ให้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนก็กำจัดความทุกข์ใจไม่ได้เป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีไปถามนายกทกวันนี้นายกมีความทุกข์มออกมานี่ไม่อยากจะเจอหน้าใครแล้วนี่มีแต่คนคอยทวงอยู่เรื่อย เมื่อจะเลือกตั้งเมื่อไรจะเลือกตั้งพอพูดคาว่าเลือกตั้งก็ทุกข์ขึ้นมานะเนี่ยเป็นใหญ่เป็นโตอย่าไปคิดว่าจะกำจัดความทุกข์ได้<ม>กลับจะมีความทุกข์มากขึ้นเอก่อ<ม>นที่เป็นใหญ่เป็นโตนี่เครียดหน้าตาจะแก่ผมจะงอกกันสังเกตดูพอพ้นจากตําแหน่งไปไม่กี่ปีกลับมาหน้าตา ผองใสกัผมดำหนังตึงขึ้นมาใหม่ <Yeah. S 1> เพราะไม่เครียดเพราะไม่มีความทุกข์ <Yeah. S 1> ยังการที่เราไปคิดว่าถ้าเราเป็นใหญ่เป็นโตแล้วเราจะมีแต่ความสุขนี่เป็นความเข้าใจผิด <Yeah. S 1> ถ้าเราคิดว่าเรามีเงินทองมากมายแล้วเราจะมีแต่ความสุขนี่เป็นความเข้าใจผิด <Yeah. S 1> เศรษฐีมหาเศรษฐีนี่เครียดทุกวัน <Yeah. S 1> ใช่ไหมตื่นขึ้นมาก็ต้องดูดอกเบี้ยแล้วดูตลาดหุ้นนะขึ้นแล้วลง yeah. ลงไปจุดหนึ่งเงินก็หายไปพันล้านนะขึ้นมาสักจุดหนึ่งก็โอ้ยเงินโผล่ขึ้นมาเป็นพันล้านใจก็เครียดอยู่กับอเรื่องขึ้นขึ้นลงลงของไอ้ตัวเลขเนี่เดี๋ยวดอกเบี้ยขึ้นก็ดีใจเดี๋ยวน้ำมันน้ํามันขึ้นก็บางคนก็ดีใจบางคนก็เสียใจพวกขายน้ํามันก็ดีใจพวกซื้อน้ํามันก็เสียใจของเหล่านี้มันไม่ได้เป็นตัวที่จะทําให้ ความทุกข์ต่างๆของใจเราหายไปมีแต่จะทำให้มีความทุกข์มากขึ้นมีอะไรยิ่งมากยิ่งทุกข์เชื่อไหมไม่ใช่จะทุกข์น้อยยิ่งมีมากยิ่งทุกข์มากเศรษฐีเนี่ยทุกข์ทางใจมากกว่าขอทานเชื่อมขอทานมันไม่รู้จะทุกข์กับอะไรมันทุกข์กับเพียงว่าวันนี้กูจะหาอะไรกินที่นั้นเองจะมีกินหรือเปล่าท่นันเองทุกแค่นั้นเองขอทาน ทุกเรื่องกินะ่นนเรื่องปากเรื่องท้องแต่มหาเศรษฐีนี้กับทุกกับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสมบัติต่างๆมีมากมีมีบริษัทมากมีหลายสาขาเรื่องก็วุ่นวายมากนะฉะนั้นอย่าเข้าใจว่าอย่าไปคิดว่ามีเงินทองมากๆแล้วจะกำจัดความทุกข์ได้ไม่จริง มีมากยิ่งมีทุกมากมีตำแหน่งยิ่งสูงเป็นใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งโตเท่าไหร่ยิ่งทุกมากเท่าไหร่ยิ่งทุกมากขึ้นไปนะได้รับได้รับรับรางวีรางวัลก็อย่าไปคิดว่าสุขเนะี่ยพอมันรับแล้วมันอยากจะรับไปเรื่อยๆพอปีไหนไม่ได้รับมันก็เสียใจถ้าปีนี้ได้รับรางวัลว่าเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเนะี่ยโอยดีใจ เดี๋ยวปีหน้าถ้าเกิดตกลงมาระดับสองนี้ก็เสียใจแนละ้วสิ่งต่างๆที่เราใช้ในการกำจัดความทุกข์นี้กำจัดได้เพียงความทุกข์ทางร่างกายแต่ไม่สามารถกำจัดความทุกข์ทางใจได้กลับมีแต่จะทําทให้มีความทุกข์ทางใจมากขึ้นยิ่งมีมากยิ่งทุกข์มากเพราะต้องเสียมาก ้ของต่างๆที่เราได้มานี่ไดมามากเท่าไหร่ก็ต้องเสียไปหมดไม่มีอะไรเป็นสมบัติที่แท้จริงของเราสมบัติทางเนาะภายนอกใจไม่ใช่เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราเวลาใจเรามาเกิดใจเราก็มาตัวเปล่าๆมามาใจดวงเดียวแล้วก็มาได้ร่างกายมาได้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง มาได้สามีได้ภรรยาได้บุตรได้ทิดาได้อะไรเต็มไปหมดแล้วเดี๋ยวถึงเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวแม้แต่ร่างกายนี้ก็เอาไปไม่ได้ยิ่งมีมากก็ต้องเสียมากมีน้อยก็เสียน้อยไม่มีก็ไม่ต้องเสียเลยถ้าไม่เสียก็ถ้ามีถ้าเสียมากก็ทุกมากเสียน้อยก็ทุกน้อย ถ้าไม่เสียเลยก็ไม่ทุกข์เลยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเลยอยู่แบบไม่มีดีกว่ามีน้อยที่สุดพระพุทธเจ้ามีสมบัติกี่ชิ้นรู้ไหแปดชิ้นนี่แรกอัฏฐบริขารมีเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านมี8ปดชิ้นมีบาตรหนึ่งใบหนึ่งชิ้นมีผ้าสามชิ้นผ้าตาผ้าผ้านุ่งหนึ่งชิ้นผ้าห่มหนึ่งชิ้นแล้วผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งชิ้น เป็นสี่ชิ้นแล้วก็มีเข็มขัดรัดเอวอีกชิ้นหนึ่งเป็นห้าชิ้นมีใบมีดกรรไกรปรงหนวดปรงผมหชิ้นมีเข็มก็ได้ไว้ปะซ่อมจีวรเจดชิ้นแล้วก็มีที่กรองน้ำที่ตักน้ำจากในในลาห้วยขึ้นมาแบบที่กรองเอาตัวสัตว์ออกไปไม่ไม่เอาตัวสัตว์ขึ้นมาเขาเรียกว่าที่กรองน้ำ สมัยก่อนนี้จะกินน้ำต้องไปตักน้ำในลาห้วยในลาทานในลําห้วยลาทานก็มีตัวสัตว์จะตักขึ้นมาก็ต้องใช้ที่ตักแบบที่กรองที่กันไม่ให้เอาตัวสัตว์ขึ้นมาด้วยนี่คกือสมบัติของพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่ามีมากทุกมากเพราะจะต้องเสียมันไปเสียสมบัติแชิ้นนี้ไม่เสียดายเพราะมันไม่มีคุณค่าราคาอะไรมากมายพระ จีวรสมัยก่อนก็เป็นผ้าห่อศพไม่ใช่เป็นของมีคุณค่าราคาที่เราเรียกว่าผ้าป่าเนี่ยผ้าป่าก็คือผ้าที่ทิ้งในป่าชาผ้าห่อศพเนี่ยเขาก็ไปเก็บผ้าห่อศพมาซักก่อนมาซักม า, าทําความสะอาดก่อนต้มก่อนเอาพวกน้ําเหลืองน้ําเลือดน้ําอะไรต่างๆที่ติดมากับศพนี้ออกไป แล้วก็เอามาตัดมาเย็บเป็นจีวรเย็บเสร็จก็เอามาย้อมใหม่เอาผ้าต้มด้วยแก่นน้ำแก่นไม้ผ้าที่ต้มด้วยแก่นไม้มันจะออกมาเป็นผ้าผ้าสีเหลืองๆเขาเรียกว่าผ้าสีกาสาวพัดเนี่ยก็เป็นผ้าที่ย้อมด้วยน้ำที่ต้มด้วยแก่นไม้ในเมืองไทยนี้เราจะนิยมใช้แก่นขนันนุ่น ผ้าปฏิบัติผ้าป่านี้ท่านจะย้อมผ้าด้วยการเอาเอาแก่นขนนนี่มาต้มต้มไปสักระยะหนึ่งแล้วน้ามันก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็เอาผ้านี่มาซักผ้าจีวรนมาซักสีเหลืองมันก็จะซึมเข้าไปในผ้า น, นี่คือสมบัติของคนฉล า, าดคนที่รู้ว่าได้มาเท่าไหร่ก็ต้องเสียไปหมด เรื่องอะไรจะต้องเอาของดีๆไว้ทําไมมีของดีเวลาเสียไปก็เสียใจไหมถ้ามีไอโฟนเครื่องสามหมื่นแล้วมีเครื่องของของจีนสามพันเนี่ยเวลาอันไหนเสียไปอันไหนสบายใจกว่ากันอันไหนเดือดร้อนกว่ากันพอไอโฟนเสียไปหายไปเนี่ยโอโ้โหเสียไปสามหมื่นพอของถูกขายไปเสียไปแค่สามพัน นะมีขอให้จําไว้ว่ามีอะไรจะต้องเสียสิ่งที่เรามีไปไม่ช้าก็เร็วไม่เสียตอนเป็นก็เสียตอนเสียตอนตายเสียหมดไม่มีใครเราได้เอาอะไรไปได้เลยมีสมบัติกองเท่าภูเขามีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็เอาไปไม่ได้แม้แต่สลึงเดียวอย่าว่าแต่บาทเดียวเดี๋ยวนี้เงินสลึงมีไ่มยังมีไหมมีอยู่แล้วเงินสิบสตางค์มีไหมไม่มีแล้ว มีอย่างตังก็สลึงหนึ่งอ ะ, ะอเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้เงินเลยไม่ด้สลึงยังซื้อของได้อยู่อะแตทอนนะค่ะทอนอ่าพวกคัพบะฟพวกภาษีอะไรอย่างงี้ยแหละอันนี้ไม่มีของขายราคาสลึงอะไรเงี้ยมีสลึงไม่ซื้อของได้มเคยขอมขอเงนินไหมสลึงหนึ่งมไม่เคยแตไมเด็กๆเราเคยขอได้ทีละสิบตังค์ สมัย้เด็กๆมีเงินสิบสตางค์ห้าสตางค์ยังมีอยู่แต่เงินหนึ่งสตางค์นี้เขาไม่ใช้แล้วมีอยู่แต่ใช้ไม่ได้เงินเป็นเงินทองแดงสมัยนั้นเคยเห็นเงินหนึ่งสตางค์แต่สมัยที่เราเป็นเด็กเขาไม่ใช้กันละเขาใช้เงินห้าสตางค์สิบสตางค์เงินสเหลืองสมัยเด็กๆ ก, กว๋วยเตี๋ยวชามละห้าสิบสตางค์เมื่อเช้านี้ลองถามแม่ค้าขายกว๋วยเตี๋ยวเดี๋ยนี้กว๋วยเตี๋ยวชามละเท่าไหร่บอกสามสิบสามสิบบาท จากค่าสิบสตางค์มาเป็นสามสิบบาทของอันเดียวกันของเหมือนกันแต่ราคาเปลี่ยนไปเพราะอะไรเพราะว่าดอกเบีย้ยไงดอกเบีย้ยเนี่ยมันเป็นตัวทําให้เงินนี่ยอหดลงไปเรื่อยๆของแพงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยนี่มันไม่มีวันหยุดนะวันหยุดวันหยุดธนาคารเต็ม น, นี่ดอกเบีย้ยมันไม่หยุดตามธนาคาร <c oughs> นอกเวียมันขึ้นไปเรื่อยๆเ ง, นงินไรเฟิลขึ้นไปเรื่อยๆของมันจะแพงไปเรื่อยๆเดี๋ยวสมัยเด็กคนนี้โตเท่าเรานี่๋ยเตี๋ยวก็ตกชามมาสามร้อยคนหนึ่งสมัยเราเด็กๆมันห้าสิบสตางค์เนี่ยถ้าสิบเท่าก็ห้าบาทร้อยเท่าก็ห้าร้อยอ่ะห <c oughs> ้าสิบนี่นี่หกสิบเท่าหกคูณห้าสามสิบาทหกคุณห้า หกสิบเท่าถ้าสามสิบบาทคูณนี่หกสิบก็เป็นพันแปดต่อไปต่อไปก๋วยเตี๋ยวจะราคาชามละพันแปดไม่แพงอถึงสมัยนั้นก็ถูกอีกเพราะเงินเงินเงินเดือนก็คงจะเดือนละข้นลางขั้นต่ำว่าขอวันละห้าพันหรือหกพันนู่นเร็วสามหมื่นก็ไม่รู้ มันก็ขึ้นตามกันไปเรื่อยๆทำไมเด็กๆนี่ค่าแรงขั้นต่ำจับกังนี่วันละยี่สิบาททํางานทํางานก่อสร้างเนี่ยเป็นแบกแบกปูนแบกหินแบกทรายเป็นจับกังนี่ก็ยี่สิบบาทถ้าเป็นช่างก็ห้าสิบบาทช่างไม้ช่างปูนช่างสีนี่เขาก็จะมีค่าแรงสูงกว่า อันนี้พูดถึงเรื่องเงินทองเรื่องข้าวของต่างๆที่เรามีอยู่นี่นะอย่าไปหลงกับมันนะมันมันจะทำให้เราทุกข์ถึงเมื่อถึงเวลาที่มันจากเราไปจากมันจากได้สองเวลาจากตอนเป็นกับจากตอนตายถ้าจากตอนเป็นนั้นก็ จ, จะทำให้เราตายได้ใช่ไหมคนอยากกระโดดตึกตายกันนะพอหมดเนื้อหมดเนื้อประดาตัวสิ้นเนื้อประดาตัวนี่ ล้มละลายเนี่โอ้โหไม่ไม่รู้จะอยู่ยังไง่ะไม่รู้จะเอาหน้าไปไปไว้ที่ไหนเมื่อก่อนนี้มีทรัพย์มีเงินมีทองไปไหนมาไหนมีหน้ามีตาคนนับถือเคารพยกมือไหว้ทีีพอไม่มีเงินมีทองแล้วไม่รู้จะไปไปที่ไหนไปยังไงต้องทำใจยังไงครหลวงพ่ออ่านี่นนะก็มาฟังเทศก่อนไง แล้วก็มาเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็มาหัดอยู่แบบไม่มีถึงจะทำได้ถ้ายังต้องอาศัยมันอยู่มันก็ทำใจไม่ได้พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าต้องมาหัดอยู่แบบไม่มีกันเนี่ยมาเถือสิงห์แปดไี่มีอะไรนะ่นุ่งขาวของขาวนี่เอาอะไรมาเปล่ยเอาแต่ตัวมาใช่ไหมให้หัดอยู่แบบนี้ไปจุบันตายอยู่คนเดียวอยู่แบบไม่มี เอาแค่สิ่งที่จำเป็นเอาแค่ปัจจัยสี่เหมือนพระเนี่ยมีแค่อัถรรบริขารเนี่ยอัถรรบริขารนี่ก็คือปัจจัยสี่ของพระของที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการดำรงชีพให้อยู่กับสิ่งแค่นี้พอมันจะได้ไม่เสียใจถ้าได้มาแล้วมันจะต้องเสียใจเพราะถ้าได้แล้วมามันต้องยึดมันต้องติดมันต้องหวงถ้าไม่มหวงก็อย่ามันต้องทิ้งมันต้องละได้มันถึงไม่หวง คนที่มาบวชเนี่ยเขาสละหมดเขามีเคยมีทรัพสมบัติข้าวของเงินทองอะไรเขาสละหมดมีลูกมีภรรยามีสามีเขาสละหมดถามแม่ชีนี่ท่านตอนนี้ท่านมีอะไรบ้างท่านก็มีแค่นี้แค่ตัวเปล่าๆแล้วก็พยายามทำใจให้สงบให้ได้เพราะถึงแม้ว่าจะสละทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วแต่ใจมันยังไม่ยอมสละ มันยังอยากจะกลับไปหามันยังมีความอยากจะกลับไปหาแฟนอยากจะหาลูกหาสมบัติอยู่หาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายอยู่ถึงแม้จะมาจะมาบวชแล้วก็ตามก็ยังยังต้องสู้กับมันต่อไปเพราะมันยังไม่ยอมเราบังคับให้มันสละเราเราบังคับให้มันสละทุกอย่างสละครอบครัวสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองบังคับให้มายู่วัด แต่มันยังไม่ยอมมันยังไม่ยอมแพ้มันยังพยายามคอยทําสงครามเรียกสงครามอ่ <c oughs> อะไรนะกองโจรอยู่มันแพ้สงครามใหญ่ฐานทัพมันถูกทําลายไปหมดแล้วแต่มันตัวมันยังหลบซ่อนอยู่มาทําสงครามกองโจรอยู่มันจะหลบผัวมาหย่าเราทีเดนิดเทียหน่อยแล้วก็มาจี้ให้เราไปเที่ยวกันแล้วก็จี้ให้เราไป นู่นมานี่กันเรายังเรายังต้องมีงานทำต่อถึงแม้ว่าเรามาบวชแล้วมันยังไม่ตายเราต้องมาฆ่ามันให้ตายให้ได้วิธีจะฆ่ามันให้ตายพระพุทธเจ้าก็สอนบอกว่าเนี่ยต้องมามาปฏิบัติธรรมมารักษาศีลให้เคร่งคัดเพราะศีลนี้จะเป็นกำแพงกั้นไม่ให้มันออกไปก่อเรื่องก่อราวให้กับเรามีศีลนี้มันก็จะไปเนาะ ไปนอนกับแฟนไม่ได้นะจะไปกินข้าวเย็นก็ไม่ได้นี่สีนของนักบวชนะไม่ใช่ศีลของคาราวาสศีลของฆราวาสนี่ยังนอนกับแฟนได้ยังไปเที่ยวได้ยังไปกินมื้อเย็นได้แต่พอศีลของนักบวชเนี่ยศีลแปดเนี่ ย, ยก็จะกินไม่ได้แลนะไปหจะไปเที่ยวก็ไม่ได้มีให้มีงานทาอย่างเดียวก็คือให้ฆ่ากิเลสให้ฆ่ากิเลสด้วยการหยุดความคิด ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการฝึกสติความคิดจะหยุดได้ต้องมีสติหยุดมันถ้ามีสติแต่หยุดความคิดไม่ได้แสดงว่าสติมีกําลังไม่พอถ้ารู้ว่าเรากําลังคิดแล้วอยากจะให้มันหยุดคิดแ้วมันไม่หยุดนี่แสดงว่าสติเรามีกําลังไม่พอเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาเพิ่มวิธีสร้างสติเพิ่มก็ให้ท่องพุโทโธพุโทโธไปหรือให้สวดมนต์ไป ถ้าเราสวดมนต์ไปท่องพุทโธไปมันก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ก็เท่ากับเราเริ่มมีสติหยุดความคิดได้แต่พอเราหยุดสวดหยุดท่องมันกลับมาคิดใหม่ก็แสดงว่าสติที่เรามีตอนนั้นหายไปละเราก็ต้องดึงกลับมาใหม่พอมันคิดเราก็ต้องพุทโธใหม่สวดใหม่พอมันไม่คิดเราก็หยุดพุทโธทได้าทาอย่างนี้ไปจนกว่ามันหยุดคิดได้ ถ้ามันหยุดคิดได้นานใจก็จะว่างใจก็จะเย็นจะสบายแล้วตอนนั้นจะเสียอะไรไปก็ไม่เดือดร้อนนี่แหละถ้าอยากจะให้เราไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับการสูญเสียอะไรต่างๆเราต้องหยุดความคิดให้ได้หยุดความอยากหยุดความเสียดายให้ได้ความเสียดายมันเกิดจากความคิดของเราพอเราไปคิดว่าเราเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเราก็เสียดายล้วก็เสียใจขึ้นมาแต่ถ้าเราหยุดคิด ถึงสิ่งที่เราเสียได้เราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่หรือไม่อยู่เราก็จะไม่รู้สึกเสียดายเสียใจมันจะไปเราก็ไม่เสียดายเสียใจอันเวลาถ้าเราเสียใจเสียดายกับของที่เราเสียไปก็ให้เราสวดมนต์ไปให้เราพุทโธพุทโธไปอย่างเช่นเราเสียแฟนไปเนี่ยเราก็เสียใจเขาก็บอกว่าไปอยู่วัดกันไปไปอยู่วัดไปสวดมนต์ไปพุทโธกันเดี๋ยวก็จะลืมเรื่องแฟน พอลืมเรื่องแฟนแล้วความเสียใจเกี่ยวกับการสูญเสียแฟนก็จะหายไปก็จะทำใจได้เราต้องหัดทำใจวิธีทำใจก็ต้องหยุดความคิดหยุดความอยากหยุดความต้องการต่างๆเวลาแฟนจากไปก็อยากจะให้แฟนกลับมาพอแฟนไม่กลับมาก็เสียใจถ้าอยากให้ไม่เสียใจก็ต้องหยุดความอยากอย่าไปคิดถึงแฟน ให้อยู่ให้คิดถึงพระพุทธเจ้าแทนพุทโธพุทโธแทนถ้าอยู่กับพุทโธพุทโธเดี๋ยวก็จะลืมเรื่องแฟนไปพอลืมแล้วความเสียใจก็หายไปแล้วก็จะเห็นว่าแฟนไปก็ไม่เห็นเดือดร้อนตรงไหนเนียวะพอไม่ได้คิดถึงเขาแล้วก็เห็นเดือดร้อนตรงไหนที่เดือดร้อนเพราะเราไปคิดถึงเขาเองเพราะ อ, อยากให้เขากลับมาพอเราไม่ได้คิดถึงเขาไม่ได้อยากให้เขาให้เขากลับมากม็เห็นเป็นปัญหาอะไร เราก็อยู่ของเราได้ยถ้าเรามีสติเราควบคุมความคิดหยุดความอยากได้เราอยู่คนเดียวได้อยู่ตัวเปล่าๆได้ <nhưng> แม้แต่ร่างกายมันอยากจะจากเราไปเราก็ให้มันจากได้เราก็จะไม่เดือดร้อนเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่เดือดร้อนที่เราเดือดร้อนเพราะเราไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าเราหยุดความอยากไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยได้เ ร, เราก็จะไม่เดือดร้อน มันเจ็บก็ให้มันเจ็บไปรักษาได้ก็รักษาไปก็เท่านั้นเองมันจะตายก็ถ้าห้ามมันไม่ได้ก็ต้องให้มันตายไปถ้าใจไม่มีความอยากให้มันไม่ตายมันจะไม่เดือดร้อนเราจะทำให้ใจเราไม่เดือดร้อนเราก็ต้องหยุดความคิดหยุดความอยากให้ได้ก็เหมือนกันเสียอะไรทุกทุกอย่างมันเหมือนกันหมดจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นสมบัติเป็นอะไร มันก็สูญเสียเหมือนกันทุกเหมือนกันทุกเพราะอยากให้เขาไม่เสียทุกอยากให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อยๆทีนี้มันของเหล่านี้มันห้ามไม่ได้เข้าใจไหมของทุกอย่างในโลกนี้มันเกิดแล้วมันดับของมันเองเราไปสั่งมันไม่ได้สั่งได้แล้วก็อยู่กันน้นโลกทุกคนเนี่ยดีไปดีอยู่กันน้นโลกก็ไม่ดีก่บเดี๋ยวก็แย่งกันกินเพราะไม่พอกิน ลองคิดดูถ้าคนตั้งแต่ยุคสมัยไดโนเสาร์ยังไม่ตายเนี่ยอยู่กันเรามานี่ไม่ไม่ฆ่ากันตายหมดแล้วทุกวันเนี้แย่งกันแย่งอาหารกันงกินแย่งที่อยู่ที่อาศัยกันนะธรรมชาติมันรู้จักวิธีรักษาความสมดุลอมนุษย์นี่ก็เหมือนกันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมีมากเกินไปมันก็จะทําให้มันไม่สมดุลทุกอย่างมันสมดุลมันถึงมีการเกิดมีการตายกัน เน็นถ้าเรารู้ความจริงอันนี้เราก็มาทําใจยอมรับความจริงว่าทุกอย่างเกิดแล้วต้องจากกันทุกมีอะไรต้องจากสิ่งที่เรามีไปไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสมบัติเป็นแก้วแหวนเงินทองเป็นอะไรทั้งหลายแหละมันไม่เป็นของเราไปตลอดถ้าเราทําใจได้เราจะไม่เสียใจเวลาที่เราสูญเสียสิ่งต่างๆไป ที่เราสูญสที่เราเสียใจเพราะเราทงใจไม่ได้เราหยุดความอยากของเราไม่ได้หยุดความคิดของเราไม่ได้ยังคิดอยากจะให้เขากลับมายังคิดเสียดายยังอยากได้สิ่งนั่นที่เราเสียไปอยู่ยิ่งคิดก็ยิ่งทรมานใจพอหยุดคิดได้ความทรมานใจจะหายไปเราจะรู้ว่าเอเราอยู่โดยที่ไม่มีอะไรเราก็อยู่ได้นี่วะสู้อยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าไม่ทรมานใจไม่เสียใจ พระพุทธเจ้าเมื่อก่อนท่านก็มีเหมือนเราเหมือนพวกเรามีสมบัติมีปราสาทสามฤ ด, ดูเป็นพระราชกุมารมีพระราชทรัพย์ต่างๆมีแก้วแหวนเงินทองมีบริษัทบริวารจัดงานเลี้ยงกันทุกคืนมีน้องนําทําเพลงกันทุกคืนทุกวันแต่พระพุทธเจ้าก็ไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเข้าก็รู้ว่างานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดสักวันหนึ่งมันจะตั้งไม่มี แล้วตอนนั้นจะทำอย่างไรถ้าทำใจไม่ได้ก็ทุกข์พระพุทธเจ้าเลยตัดสินใจไปบวชเพื่อจะไปทำใจนี่ทำใจไม่้ทุกข์กับการสูญเสียแล้วในที่สุดก็สามารถทำใจได้อพอรู้จักวิธีทำใจก็มาสอนพวกเราให้เรามาหัดทำใจกันให้มาอยู่แบบไม่มีอะไรตอนต้นมาฝึกขาดก่อนมาแบบไปเช้าเย็นกลับหรือมามาอยู่ทีละสามวันเจ็ดวันไปก่อน มาซ้อมดูก่อนว่าอยู่คนเดียวได้ไหมยอยู่แบบไม่มีอะไรได้ไหมถ้าอยู่ได้ก็จะอยู่ไปตลอดพวกที่บวชนี่เขาเห็นว่าเขาอยู่ได้และเห็นว่าดีที่สุดอยู่แบบไม่มีอะไรนี่ดีที่สุดไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องเสียใจไปกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่<ม>ก็เลยบวชไปตลอดพวกที่เขาสามารถอยู่ได้ถ้าเขาอยู่ได้เขาสแสดงว่าเขาควบคุมความคิดควบคุมความอยากได้ เขาหยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆได้เขาก็อยู่แบบไม่มีได้แต่พวกที่มาบวชแล้วอยู่แบบมีก็ไม่ใช่นะตรงนี้ก็เป็นพวกที่ไม่ได้มาควบคุมความคิดมาบวชแล้วก็ยังมีสมบัติเต็มเต็มกุฏต<ๆ>มีอะไรต่างๆมียศมีอะไรต่างๆอยู่นี่ตรงนี้ก็ยังเหมือนกับไม่ได้บวชนะพวกที่บวชจริงต้องเป็นพวกที่มีแต่แค่อัตถบริขาร มีแก่สมบัติแปดชิ้นเท่านั้นนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หนึ่งเราจะรู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราอยากในสิ่งที่เราสูญเสียไปเราไม่อยากให้มันสูญเสียไปแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาเราจะต้องสูญเสียไปหมดเรามาตัวเปล่าเราต้องไปตัวเปล่า เพราะของทุกอย่างที่เราได้ไม่ใช่ของเราเป็นของเราเพียงชั่วคราวถ้าเรารู้อันนี้แล้วเราก็มาเตรียมตัวเตรียมใจได้อะไรมาก็อย่าไปยึดอย่าไปติดถ้าไม่มีความจําเป็นจะต้องมีมันก็อย่ามีมันดีกว่ามีแล้วเป็นภาระต้องคอยมาดูแลรักษาแล้วก็ต้องเสียมันไปพยายามอยู่แบบน้อยที่สุดหนีให้น้อยที่สุดอยู่แบบพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่แบบมีสมบัติแค่แปดชิ้นนี้เท่านั้น มีปัจจัยสี่สำหรับคาระวะก็มีปัจจัยสี่มีเสื้อผ้าสองสามชุดก็พอมีข้าวกินวันละมื้อสองมื้อก็พอมีที่นอนที่หลบแดดหลบฝนได้ก็พอจะซื้อบ้านก็ได้จะเช่าบ้านก็ได้จะอาศัยอยู่ใต้สะพานก็ได้ที่ไหนก็ได้นะยารักษาโลกก็รักษาไปตามมีตามเกิดเดี๋ยวนี้สามสิบาทรักษาทุกโลก มันยังเป็นจะต้องไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนรักษาที่ไหนถ้ามันหายมันก็หายเหมือนกันถ้ามันจะตายมันก็ตายเหมือนกันตายแพงตายถูกมันก็ตายเหมือนกันหายถูกหายแพงมันก็หายเหมือนกันอย่าไปวุ่นวายกับเรื่องราวเหล่านี้แล้วชีวิตจะไม่มีความทุกข์จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนี่แหละคือวิธีของการ อยู่แบบมีความสุขอยู่แบบกำจัดความทุกข์ต้องอยู่แบบให้มีน้อยที่สุดแล้วก็มาพยายามหยุดความคิดหยุดความอยากที่อยากจะไปมีมากๆ ใ, ให้ได้ไอตัวนี้มันอยากมันอยากมีมากมากต้องหยุดมันให้ได้หยุดตัวที่อยากมีมากแล้วให้มันอยู่แบบมีน้อยน้อยอยู่แบบน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นอยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระสาวกแล้วชีวิตจะไม่มีความทุกข์จะมีแต่ความสุขไปตลอด าล้ะนะพอดีเวลาก็พอสมควรจะขออนุโมทนาให้พอ่อนยาถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินงังเปตานางังอุปกปัรปฏิอิชิตังปัจิตังตุมหังกิ ป, ปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยะามณิโโตรติราโสยะาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตุอันตารโยสุขีทีคายุโกภะอภิวาธนาสีลิสนิจังวุธาปจายโน จตารโอธรมมวัทฐาน ต, ติอายุวนโนสุขังภาลาังรีบสาทุเลยนะหนูวันนี้ทางเฟซบุ๊กยูทูปเข้ามาเท่าไหร่ วันนี้ทาง Facebook เข้ามาสามร้อยสี่สิบสามครับ y o u t u หนึ่งร้อยหกสิบวิทยุยี่สิบสองรับฟังข้างบนนี้สี่สิบคนครับทั้งหมดห้าร้อยหกสิบห้าครับตอนนี้เดซกถูกตัดทอนไปมันต้องเป็นสองคลิปไปเลยใช่ไหมเป็นสามคลิปเนี่ยคนเลยหายไปมีคำถามไหมมีคำถามจาก oh, เยอรมั น, มน หนูอยากก็ถามเลยอมากลับไปใกล้ๆ ไ, ไปสิไปใกล้ๆพูดที่ไมโครโฟนยา อ, าอแอนนาเบลมาถามอีกนะเอาหนันการตูนมาถามน้องสาวมัน ไ, ไม่รู้เรื่องนะรอบนี้ไม่ใช่แอนนาเบลเหรอกคะ่ะแต่เป็นปัญหาของคุณแม่คะ่ะา <c oughs> ว่ามาแล้ว <c oughs> คือว่าเวลาหนูนอนหนูชอบ แบบหันไปเตะ ค, คุณแม่ตลอดเลยอะค่ะเตะตอนหลับหรือ ว, ว่าเตะตอนตื่นเตะตอนหลับค่ะถ้าหลับไม่เป็นไรถ้าตื่นไปเตะนี่บาปนะไม่เคารพคุณแม่เี่ไม่บาปใช่ไหมคะเวลานอนหลับถ้าไม่มีสติก็ไม่บาปไม่มีความตั้งใจไม่รู้ตัวฟิวรู้ว่าจะเป็นกรรมไปแล้วแค่นี้แหะค่ะ่นะสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยค่ะพยายามฝึกสติไว้มาก ๆ, ๆเวลาหลับต่อไปจะได้ไม่ไปเตะ ค, คุณแม่ นพยายามพุทโธพุทโธก่อนนอนก่อนจะนอนให้ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปเแล้วเวลาหลับจะไม่ค่อยเตะใครเลยนะอ <c oughs> นะ้าเดี๋ยวอะเอาไปเลยใส่ไมโครโฟนแล้วถ้าเวลาหลับแล้วเราพุทโธเนี่ยคะ่ะ <c oughs> มันจะทําให้สติเราตื่นแล้วจะทําให้หลับยากไหมคะอ๋อ แล้วอย่าเอาสติแบบตื่นเลยเอาสติแบบธรรมดาอย่าไปอย่าไปเครียดกับมันอย่าไปแบบพุทโธไปแบบธรรมดาธรรมดาอ๋อก็พุทโธพุทโธเพื่อให้มันหยุดความคิดเท่านั้นเองถ้าพุทโธแบบเก่งมันก็จะไม่หลับอย่าไปเก่งมันพุทโธแบบสบายสบายพุทโธไปพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวมันก็หลับอ ถ้าไปเก่งไปอะไรมันมันจะไม่หลับโอ้ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะถ้าไม่หลับพอพูดโทก็อย่าไปพูดโทดูลมแทนดูลมหายใจ ถ, ถ้าดูลมหายใจไม่หลับก็ไม่ต้องดูอะไรดูอยู่เฉยๆหยุดความแล้วคอยดูว่าคิดหรือเปล่าอย่าปล่อยให้มันคิดและเวลาไม่หลับอย่าไปอยากหลับยิ่งอยากหลับยิ่งไม่หลับเนี่ยต้องเฉยๆหลับก็ได้ไม่หลับก็ได้ เนี่ยมันก็จะหลับถ้าไปอยากให้มันหลับแล้วมันยิ่งไม่หลับางนี่คำถามจากทางเฟซบุ๊กครับจากคุณชวนกราบนมัสการพระอาจารย์ผมขออนุญาตเอาโปรชัวเรียนสมาธิของสถาบันพลังจิตตาลุภาพหลวงพ่อวิริยังศิรินทโรไปแจกที่วัดยานธรรมบุญเขาได้ไหมได้ไหมครับควรไม่ควรขอกราบนมัสการครับก็ที่นี่ไม่ใช่เป็นที่โฆษณาเนะ ้อยากจะโฆษณาก็ไปที่อื่นเพราะที่นี่เดี๋ยวก็มันจะสับสนกันว่าจะาจะให้ไปที่ไหนกันคนที่เข้ามาที่นี่ก็ปล่อยเข้ามาที่นี่เขาอยากจะไปที่หลวงพ่อก็ให้เขาไปของเขาถ้าเราเอาของหลวงพ่อมาเดี๋ยวหลวงพ่อเหมือนจะให้เรามาแจกอีกเดี๋ยวที่นี่ก็เลยกลายเป็นที่แจกโบชั่วไปก็เลยไม่มีมเลยเค่อยไม่ค่อยแจกหนังสือของใคร ที่นี่ก็จะแจกแต่หนังสือของเราเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละที่สอนกันอย่างไรปฏิบัติกันอย่างไรผิดถูกมากน้อยอย่างไรเราก็ไม่รู้เดี๋ยวมาแจกที่นี่ก็เหมือนกับว่าเรารับรองเราสนับสนุนเพะงั้นก็ทางที่ดีไม่อยากจะเสี่ยงก็ไม่อยากจะแจกของไขนอกจากของครูบาอาจารย์ที่เราเคารพที่เรากราบไหว้ที่เรา มีความมั่นใจเราก็เอามาแจากใช่ของหนังสือของหนังตานี่เราแจากประจำแต่ของครูบาอาจารย์หรอื่นเราก็ไม่ค่อยมั่นใจบางทีเราก็ไม่แจกคําถามจากคุณแพมกราบเรียนถามพระอาจารย์ถ้าเราทวงถามเงินจากคนที่ยืมเราเพราะเขาใช้ไม่ตรงเวลาทําให้เราเดือดร้อนแบบนี้จะบาปไหมเจ้าคะแต่ใจก็กลัวเขาจะทุก์จากการที่เราไปทวงถามคะ่ะ เออไม่บาบหรอกเพราะว่าเป็นเป็นหน้าที่ของเราบางทีเขาลืมหรือเขาแกล้งลืมเราก็ต้องแกล้งเตือนเขาเพราะคนเราชอบลืมเวลายืมเงินใครแล้วมักจะลืมแต่เวลามาขอยืมนี่ไม่เคยลืมเวลาเวลายังไม่ได้นี่มาอยู่เรื่อยมาทุกวันเลยจะมาขอยืมเงินทุกวันแต่พอได้เงินไปแล้วเราเขาจะลืมเราแล้ว ถ้าไม่อยากจะให้เขาลืมยืมเราลืมเราต่อไปก็อย่าให้เขายืมให้เขามาขออยู่เรื่อยๆแล้ว ก, ก็ปฏิเสธไปเรื่อยๆปฏิเสธแบบไม่เสียเงินดีกว่าต้องมาทวงแล้วไม่ได้เงินคืนยังไงเขาก็โกรธเราอยู่ดีให้เขากดแบบที่เราไม่เสียเงินดีกว่ากอนที่แบบเสียเงินใช่ไหมพอกขาเอาเงินไปแล้วเขาก็แกล้งลืมพอเราไปทวงเขาก็โกรธเราอีกอย่างนี้ช่วยให้เขาโกรธเวลาที่เขามายืมเงินแล้วไม่ได้ยืมดีกว่า อย่างน้อยเราไม่ขาดทุนเราไม่เสียเงินไปเพนั้นถ้าเราอยากจะให้ยืมเงินเขาก็คิดว่าเป็นการเมตผาลเมตตาก็แล้วกันถ้าเราสงสารเขาเห็นว่าเขาเป็นเพื่อนเราเราอยากจะช่วยเหลือเขาก็ให้เขาไปคิดว่าทําบุญไปแล้วก็ยจะไปหวังเอาคืนเราก็จะสบายใจเราก็จะได้บุญมีความสุขใจแต่ถ้าเราไปหวังเอาคืนที่เราจะทุกข์ใจแล้วละ่ะพอเวลาถึงเวลาที่เขาจะให้คืนเขาไม่มาคืน มันก็ทำให้เราเกิดความรู้สึกไม่ดีได้เนะฉะนั้นการยืมเงินนี้ถ้าจะทำอย่างมีความสุขก็ให้เขายืมโดยที่ไม่หวังที่ยาวคืนถ้าหวังยาวคืนก็ต้องให้เขามีหลักทรัพย์มาเป็นตัวประกันเช่นเขามีบ้านไหมมีคอนโดไหมมีที่ดินไหมอะไรอย่างนี้ถ้าอย่างนี้แล้วโอกาสที่จะได้คืนมันมีถึงแม้จะไม่ได้เงินสดคืนก็อย่างน้อยได้ทรัพย์สิน ที่เราจะเอาไปแปลงเป็นเงินสดได้ต่อไปธ น, นาคารก็ถึงอยู่ได้ไงเพราะเขายืมแบบนี้กันไอ้พวกเราอยู่ไม่ได้เพราะเรายืมแบบเกรงใจกันพรเกรงใจหมดมันก็แจ้งกันนะั่นแหละใช่ไหมเอานเรื่องเงินเรื่อ ง, องทองนี้มันต้องถือว่าเป็นธุรกิจละ่ะอย่าไปถือว่าเป็นเพื่อนฝูงถ้าเป็นเพื่อนฝูงก็คิดว่าเป็นการช่วยเหลือกันไปก็อย่าไปหวังเอาคืนช่วยเท่าที่ช่วยได้ให้เขาเท่าที่เราให้ได้ แล้วเราจะเราไปหวังออกคืนไปคําถามจากคุณมาลัยหนูมักมีความรู้สึกฟุ้งซ่านรําคาญใจและจะเกิดขึ้นในเวลาเดิมทุกครั้งท่องพุทโธก็ไม่หายจนทนไม่ได้เลยใช้วิธีออกไปคุยกับเพื่อนถ้าเราจะอยู่เหนืออารมณ์นี้ควรทําอย่างไรคะก็ต้องพุทโธต้องท่องพุทโธให้ได้พุทโธไปอย่าไปหยุดพุทโธ ท, ที่มันไม่ได้เพราะเราไปหยุดมัน ถ้าเราไม่หยุดเดี๋ยวมันก็หายไปส่วนเนี่ยเราท่าได้สองสามคำก็สู้มันไม่ไหวมันก็ปล่อยให้มันคิดต่อมันก็เลยมันก็เลยเครียดต่อไปแต่ถ้าเราสู้มันพุทโธไปให้มันขาดใจตายไปกับพุทโธให้ได้เดี๋ยวพอเราพุทโธต่อไปอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมันก็เบาละเดี๋ยวความคิดความเครียดมันก็จะเบาลงไปแต่ตอนต้นนี้ต้องพยายามถ้าพุทโธไม่ได้เอาบทสวดมนต์ก็ได้บางทีบทสวดมนต์จะง่ายกว่าเพราะมันยาว ถ้าพุโทโธคําเดียวมันสั้นมันอาจจะทําให้เราไม่รู้จะพุโทโธมันไม่มีอะไรมาดึงดูดเราให้แต่ถ้ามีบรรพุทธสวดสวนมนต์มันมีบทให้เราสวดแล้วก็สวดตามไปสวดไปเรื่อยเดี๋ยวสวดไปสักระยะหนึ่งมันก็จะลืมเรื่องที่ทําให้เราเครียดได้จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามจะทําบุญกุศลอย่างไรเราจะสมหวังและได้เจอเนื้อคู่ได้อยู่กับคนที่เรารักเหมือนคนอื่น ที่เขาว่าใส่บาทร่วมขันมันใช้ได้จริงไหมคะอ๋อทําบุญแบบที่ไม่ไม่เลือกสิเอาใครก็ได้เจอใครก็ได้สมหวังทุกคนถ้าไปเจาะจงมันก็ยากใช่ไหมก็มองว่าคนเราเหมือนกันมีอาการสามสิบสองเหมือนกันมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันใครก็ได้วะท่านี้ก็จะสมหวังแต่ถ้าจะไปเลือกว่าต้องเอาคนนี้คนเดียว ในภายในล้านคนนี้มีคนนี้คนเดียวที่เราจะเอาเนี่ยมันเดี๋ยวมันโอกาสที่มันจะได้หนึ่งในล้านมันไม่ใช่ของง่ายนยแต่ถ้าเอาแบบล้านในล้านนี่มันได้แน่ๆถ้าอยากจะสมหวังก็เอาเอามันทุกคนอะ่ะใครมอก่อนก็เอามันคนนั้นแหละอ <c oughs> นี้ก็จะสมหวังนี่ก็ทําบุญด้วยปัญญาเข้าไงไหอถ้าทําบุญด้วยด้วยกิเลกก็จะเอาหนึ่งในล้านถ้าทําบุญด้วยปัญญาถ้าอยากจะสมหวังก็ต้องเอาล้านในล้าน อันไหนก็ได้คนไหนก็ได้ใครมาก่อนถ้าถูกใจกันชอบกันอยู่ด้วยกันได้ก็เอากันละนี่มันก็จะสมหวังจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับถ้าคิดละแต่มีความสุขที่ได้คิดถึงและได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขถ้าทําได้มันดีไหมคะอย่างนี้เรียกว่าทําได้ไหมคะถ้าได้สมใจมันก็สุขทีนี้ถ้าไป มันไม่ได้ดังใจเนี่ยมันจะทุกข์ปัญหามนอยู่ตรงที่ทุกอย่างมันไม่แน่นอนบางทีเราคิดถึงเขาเราก็ได้เขามาแต่บางทีเราคิดถึงเขาแล้วไม่ได้เขามานี่มันก็จะทุกข์แต่ถ้าเราไม่คิดถึงเขาเลยเราก็จะไม่ทุกข์ mm. ก็แล้วแต่ถ้าอยากจะเสี่ยงก็เอาถ้าคิดแล้วมีความสุขก็คิดไปแล้วถ้าคิดแล้วมันมีความทุกข์จะหยุดความคิดได้หรือเปล่าก็ต้องดูไป คำถามจากคุณโจงแจ้งฟังเรื่องเวียนไหวตายเกิดคนที่เห็นความจริงแล้วจะเบื่อหน่ายหาทางหลุดพ้นใช่ไหมคะแต่ถ้าฟังแล้วยังไม่เบื่อการเกิดแสดงว่ายังไม่เห็นจริงหรือเปล่าคะหรือเกิดจากปัจจัยอื่นด้วยก็ยังไม่เห็นทุกข์ยังไม่เห็นการเกิดว่ามีความทุกข์มากกว่าความสุขยังคิดว่ามีความสุขมากกว่าความทุกข์อยู่ ากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับกราบน้ำมัส ก, การครับมีคนไล่พระออกจากสถานปฏิบัติธรรมซึ่งท่านก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแบบนี้จะบาปเป็นกรรมไหมครับสาธุครับ อ, อ๋อไม่บาปหรอกการที่ให้ท่านไปถ้ามีเหตุมีผลท่านอาจจะไม่เหมาะอยู่กับในที่นั้นที่พระพระคนรจะไปอยู่กับพระแต่ถ้าพระไปอยู่กับโยมนี่เทาอาจจะเห็นว่าไม่เหมาะสมเราก็เชิญท่านออกไป อันนี้ไม่บาปกรรมตรงไหนมันเป็นการจัดการของสถานที่เขาอย่างที่นี่ผ้ามาก็ไม่ได้ให้ขึ้นมาหาตอนนี้เพราะมันไม่ใช่เป็นเวลาก็ต้องรอให้เหมาะสมก่อนเวลาเลิกประชุมก่อนเพราะบางทีมานี่ญาติโยมก็อาจจะหนึ่งต้องขยับขยายวุ่นวายกันไมหมดแล้วบางทีท่านมาก็ไม่มีธุระอะไรนอกจากจะมากราบนี่เราก็เลยบอกไว้ไวรอก่อนไวรอให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาเข้ามา เวลามานั่งฟังก็ต้องเลือกแยกที่ให้ท่านนั่งไม่ให้ไปป่าปนกับญาติโยมคารวะนี่นะอันนี้ไม่ได้ทำเพราะความนังเกยียติทําเพราะความเหมาะสมเพราะท่านเป็นวีไอพีใช่ไหมก็ต้องจัดที่ให้วีไอพีจะไปให้ปนนั่งกับคนธรรมดาสามัญก็ไม่ได้หมดแล้วเหเออ่าถามได้อรามัสการพระอาจารย์คะ่ะ ทำไมเวลามาปฏิบัติธรรมเราจะมีอาการป่วยทุกครั้งเลยอ่ะอ๋อมันไม่แน่นอนหรอกอาการป่วยมันไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติธรรมหรอกทีนี้มันอาจจะเป็นบังเอิญหรือเป็นจังหวะก็ได้หรือเป็นเป็นปฏิกิริยาของกิเลสก็ได้กิเลสนี้เวลามันจะขัดขวางเราเนี่ยมันจะสร้างเหตุต่างๆขึ้นมาบางทีมันก็จะทําให้เรารู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมามีเรื่องหนึ่ง ที่เขาเล่ากันมาในหนังสือหมอชาวบ้านนะหลายปีมานะเรื่องของพระรูปหนึ่งไปหาหมอเพราะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้หมอก็เช็คทุกอย่างหมอก็ไม่พบไม่พบไม่เห็นอาการบกพร่อ ง, องของทางร่างกายแต่ท่านก็บอกว่าท่านเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ไม่สบายหมอก็ค้นหาดูก็ไม่เจอก็บอกว่าไม่มีสาเหตุอะไรต่อมาไม่นาน ้ารูปนั้นก็เึกไปแล้วก็มาหาหมอแล้วมาเล่าให้หมอฟังว่าตอนนี้หายไปหมดเลยโรกที่เคยเป็นเมื่อก่อนนี้ตอนที่เป็นภาพมันไม่รู้มาจากไหนพอเสกไปแล้วมันหายไปหมดเลยเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดจากความเครียดเวลาใจเครียดแล้วมันก็ไปสร้างความรู้สึกที่ว่ามันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนั้นขึ้นมาหลอกใจทีหนึ่งดังนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลกับมัน ทำไปอย่างนั้นก็ไปปฏิบัติไม่ได้ใช่ั้มถ้าปฏิบัติทุกครั้งเป็นอย่างนี้ทุกครั้งก็แสดงว่ามันเรื่องของกิเลสแล้วมันไม่ใช่เรื่องของร่างกายผิดปกตินะอะย่้งไม่ต้องไปกังวลถ้ามันรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ถ้าปฏิบัติได้ก็ปฏิบัติไปอยู่ได้ก็อยู่ไปเดี๋ยวถ้าจิตสงบแล้วมันจะหายเองถ้าไม่หายไปก็ต้องฝึกไปต้องเลิกปฏิบัติกลับไปอยู่บ้านมันก็หายกลับไปดูทีวีที่บ้านเดี๋ยวมันก็หาย อ่มีไหมไม่ไมีครับยังไม่มานะเนี่ยอุปสรรคของการปฏิบัติก็อยู่ตรงเนี้ยนิวรจิตมันจะสร้างกำแพงสร้างอุปสรรคต่างๆเวลาจะนั่งสมาธินี่โอ้แต่ละครั้งนี่มันมีปัญหาเยอะแยะบางทีก็กินมากเกินไปก็ง่วงกินน้อยเกินไปก็หิวบางทีก็เหนื่อยเกินไปบางทีก็ร้อนเกินไปบางทีก็หนาวเกินไป ทำไม่ได้สักทีไม่เหมือนเวลาไปเที่ยวมันไม่มีปัญหาเลย <g ül üyor> ไปเที่ยวหิวก็ไปเที่ยวได้อิ่มก็ไปเที่ยวได้ร้อนก็เที่ยวได้เนี่ยคือเรื่องของกิเลสมันจะสร้างมันสร้างอุปสรรคมาหลอกเราดังนั้นของพวกนี้เราอย่าไปสนใจใหมันเราทําได้ทําไปเลยนั่งสมาธิได้ไปอย่าไปสนใจมันจะอึดอัดตรงนั้นมันจะร้อนตรงนั้นก็ปล่อยมันไปช่างหัวมันอ่าคาถามกาปรินพระอาจารย์ครับ ผมขออนุญาตถามเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับคุณผู้นึกจักกับผมเป็นทหารเรือครับก็จะนับถือเสด็จเตียผมจึงขออนุญาตสอบถามว่าในการในกรณีที่เราขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเสด็จเตียหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ตามแต่แล้วถ้าเราได้ตามที่เราขอครับผมจะขออนุญาตสอบถามว่าสิ่งที่เราได้มา ใช่สิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเนี่ยทาให้เราไหมหรือถ้าเราไม่ได้หรือถ้าเราได้มาแล้วเราไม่แก้บุญตามที่เราบุญเอาไว้เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆสามารถกระทําอะไรเราได้หรือไม่ครับถ้าเราไ ป, ไปบวชบุอะไรไว้แล้วเราได้สิ่งที่เราบุญมาเราก็ควรที่จะแก้บุญไม่ใช่แก้เพราะว่ากลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาทำลายเราเราแก้บุญเพราะว่าเพื่อรักษาสัจจะ เราเราต้องเป็นคนมีสัจจะไม่โกหกหลอกลวงใข่แม้กับตัวเราเองหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็อย่าไปโกหกหลอกลวงนะครับถ้าเราได้บุญแล้วเราได้สิ่งที่เราได้มาเราก็ต้องทําตามที่เราบวญไว้ครับส่วนเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทําให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้หรือไม่นั้นมันไม่มีหรอกถ้ามีางั้นทุกคนก็ไม่ต้องทําอะไรไปขอกันทุกคนบางคนขอก็ได้บางคนก็ขอไม่ได้ เพราะมันไม่ได้ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันได้จากเหตุที่เราได้ทำเอาไว้ก่อนเมื่อมีเหตุสมบูรณ์ที่จะทําให้เราได้สิ่งที่เราต้องการมันก็มาถ้าเหตุยังไม่สมบูรณ์ผลมันก็ไม่เกิดฉั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ในรูปแบบนี้ไม่มีคําว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ที่แท้จริงมีแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทนัที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คําว่าศักดิ์สิทธิ์ก็คือมีประสิทธิทภาพ สามารถทาในสิ่งที่เราทำไม่ได้ทำให้กับเราได้เช่นทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทำให้เรายุติการเวียนว่ายตายเกิดได้อันนี้ถึงเรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำในสิ่งที่คนธรรมดาในโลกนี้ไม่สามารถทำได้ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสอนพวกเราพวกเราจะไม่มไม่มี จะไม่รู้จักวิธีกําจัดความทุกข์จะไม่รู้จักวิธีหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ <mistakes> นี่คือความหมายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่สามารถทําให้เราได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําได้ก็เพียงแต่สอนเราบอกเราว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ให้อย่าทําบาปถ้าไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดก็อย่าอย่ามีกิเลสให้ตัดกิเลสฆ่ากิเลสให้หมดครับนี่คือความหมายของสิส่งศักดิ์สิทธิ์แต่คนเรามาเข้าใจผิดแล้วมา มาแปลความหมายผิดไปก็อะไรมาสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาแล้วเนี่ยพระพุทธรูปคือพระพูดพระทำพระสงฆ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้ามีพระพุทธรูปแล้วขออะไรก็จะได้ต้องการให้คุ้มครองปกปก้องรักษาก็จะคุ้มครองปกป้องรักษาอันนี้เป็นความเข้าใจผิดพระพุทธรูปคุ้มครองเราไม่ได้เกิดแก่เจ็บตาย ด, ด้วยกันทุกคนไม่ว่าใครก็ตามมีพระพุทธรูปกี่ร้อยองค์ก็ต้องตายเหมือนกันเมื่อถึงเวลาต้องตายครับ แต่พระพุทธรูปทำให้เราได้ก็คือสอนี好好่ยเราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้สอนให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดเมื่อเราไม่มาเกิดเราก็ต้องเราก็จะได้ไม่ต้องตายกันแสดงว่าที่เราเป็นต่างๆเนี่ยคือจากการกระทําของเราเองนั่นแหละเกิดจากการกระทําในอดีตและปัจจุบันขออนุญาตอีกหนึ่งคำถามครับในกรณีที่เราได้รับทราบเรื่องหนึ่งเรื่องเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางคนใช้บางคนเนี่ยได้รับ สิ่งที่ดีจากเรื่องนั้นแต่บางคนได้รับสิ่งที่ไม่ดีจากเรื่องนั้นอย่างเช่น อ, อย่างมีลาบปัจจัยมาครับทำไมบางคนน้อมรับลาบปัจจัยนั้นแต่บางคนไม่น้อมรับลาบปัจจัยนั้นทำให้เกิดความรวยความจนขึ้นมาครับอขออยากสอบถามว่าสิ่งใดที่ทำให้คนสองคนนี้น้อมไปไม่เหมือนกันคนนึ่งอาจจะไม่เห็นคุณไม่เห็นว่าเงินทองลาปัจจัยนี้มีประโยชน์กับเขาเช่น คนที่จะไปบวชนี่เขาก็ไม่เอาเขาอยากจะไปบวชเพราะเขาเห็นว่าการไปบวชนี่ได้สิ่งที่ดีกว่าเงินทองเขาก็ไม่รับปัจจัยต่างๆที่เขาได้รับมาบส่วนคนที่ยังไม่รู้จักสิ่งที่ดีกว่าลาบปัจจัยเขาก็จะรับลาบปัจจัยไว้เป็นที่เป็นที่พึ่งของเขาไปก่อนครับนกันแล้วแต่ว่าคนแต่ละคนมีปัญญามากน้อยต่างกันคนที่มีปัญญามากก็จะไม่ เห็นว่ายังมีของที่ดีกว่าลาบปัจจัยก็คือก็คือการไปบวชพระพุทธเจ้า ม, มีโอกาสได้เป็นพระมาหาจากักรพรรดิแต่ถ้าไม่เอานะครับถ้ า, าไปบวช ด, ดีกว่าเพราะเป็นมหาจากักรพรรดิก็ยังต้องติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ครับแต่ถ้าไปบวชแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพรับอันนี้มีคุณค่ากว่าข อ, อยัดคําถามสุดท้ายครับในเรื่อนส่วนตัวครับ วันนี้ได้ฟังพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการาไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับทุกข์ต่างๆซึ่งในที่นี้ผมก็ได้ฟังมาครับว่ า, าคนเรามีทุกข์อยู่แล้วครับแต่เราทําไมจะต้องไปแสวงหาสิ่งที่มีความทุกข์อยู่อีกด้วยอย่างเช่นบุตรภรรยาเงินทองอะไรต่างๆนะครับผมก็เลยากจะขอเสียดสอบถามว่าตอนนี้ผมยังไม่มีบุตรครับเพิ่งแต่งงานแต่ไม่ทราบว่า จะจะมีบุตรดีหรือไม่มีดีครับก็มันก็เราก็จะถ้าเราหลงเราก็จะคิดว่าตอนนี้ถ้ามีลูกคงจะดีขึ้นเพราะหนึ่งเรากับภรรยาจะได้รักกันมากขึ้นก็ได้เพราะเรามีลูกที่จะต้องมาคอยดูแลกันครับตอนนี้ถ้าเราอยู่กันด้วยกันแล้วเริ่มไม่มีความสุขแล้วเราก็อาจจะคิดว่าการมีลูกอาจจะทำให้ความสุขที่เราได้อยู่ด้วยกันจะกลับมาเพราะเราจะได้มีอะไรเป็น อันนี้ก็เป็นแค่ความคิดความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกความสุขที่เราได้จากภรรยาของเรามันก็จะค่อยเสื่อมไปตามเวลาแล้วไปทาอะไรอย่างใหม่ขึ้นมามันก็ไม่ได้ทำให้ความสุขนั้นกลับมาแต่กลับจะทำให้เรามีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นพอเรามีลูกเราก็ต้องมาเป็นภาระเรื่องลูกอีกต่อไปครับนั้นมันเป็นความหลงที่จะหลอกเราให้คิดว่ามีสิ่งนั้นแล้วจะทาให้เรามีความสุขมากขึ้น เขาไม่มีแร้วมีแต่ความจะได้อะไรมาก็จะมีแต่ความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปแล้วที่ผมคิดไม่ตกอยู่เรื่องเดียวครับถ้าหากไม่มีบุตรแล้วเนี่ยในตอนที่เราแก่เท่าอย่างผมกับผมเป็นผู้ชายครับอาจจะไม่ลําบากอาจจะบวชหรือหรือไม่ได้ลําบากแต่ภรรยาที่เขาไม่มีบุตรเนี่ยซึ่งบางทีเขายังไม่เข้าใจธรรมะเท่าที่ควรในอนาคตเมื่อเขาแก่เท่าเนี่ยแล้วเขาไม่มีบุตรก็จะไม่มีบุตร ดูแลยามมันดาแก่เท่านี้ครับไม่ทราบว่าพระอาจารย์จะแนะนําอย่างไรครับก็คือว่าถ้าเกิดบุตรเขาตายก่อนเขาจะทํำยังไงมีใครมารับประกันว่าบุตรเขาจะตายทีหลังเขาหรือว่าเป็นบุตรที่ในละคุณจะทํำยังไงครับใช่ไหมยนพระเจ้าสอนว่าให้พึ่งตนเองเนี่ยอัตตาหิอัตโนนาเถอหัดพึ่งตนเองไปเรื่อยๆมันก็จะพึ่งไปได้ถ้าพึ่งไม่ได้ก็ก็ตายเท่านั้นเองถ้าหายใจเองไม่ได้ก็ตายถ้ายังหายใจเองได้ก็ยังอยู่ได้ ฉันตนนี่เป็นที่พึ่งดีที่ดีที่สุดอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นเพราะม่คนอื่นไม่แน่นอนว่าจะพึ่งได้หรือหรือไม่ได้แต่เราตัวเราเนี่ยพึ่งตัวเราเองได้ตลอดถ้าพึ่งไม่ได้ก็สสแสดงว่าถึงเวลาตายแล้วใช่ไหมครับอออขอบพระคุณอาจารย์ น, นะครับเออก็พอดีหมดเวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิริศพิจารณาไปปฏิบัติ